บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งแสดงธรรมบัญญัติวินัยธรรมเป็นหลักความจริงที่มีอยู่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าทรงคนพบแล้วนำมาเปิดเผยแสดงไว้ตามปกติจึงพูดว่า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 ส่วนวินัยเป็นแบบแผนกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติคือกำหนดวางลงไว้ตามความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์แกส่สงที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นแต่ก็สัมพันธ์กับธรรมคือเพื่อให้สงนั้นได้รับประโยชน์จากธรรมหรือเข้าถึงธรรมได้อย่างดีที่สุดตามปกติจึงพูดว่าวินัยบัญญัติแปลว่าบัญญัติวินัย หรือข้อบัญญัติในวินัยคำว่าวินัยเทศนามีใช้บ้างเฉพาะในคัมภีร์รุ่นหลังมากๆเช่นในสาระตทีปนีและใช้ในความหมายพิเศษหมายถึงสำนวน ว, นวินัยหรือวิธีแสดงวินัยบัญญัติแม้แต่คําว่าปัญญตัติจะใช้กับธรรมด้วยในบางครั้งเช่นในโปโตรปาทสูตรทีคณิกาย สีลคขันทวักเป็นต้นแต่ก็มีความหมายเพียงว่าเอาความจริงที่มีอยู่แล้วมาวางรูปเรียบเรอยงจัดลำดับจัดเข้าหมวดหมู่เพื่อให้มองได้ชัดเจนเห็นง่ายสะดวกแก่การทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติไม่ใช่วางข้อกำหนดขึ้นใหม่อย่างไหนวินัยพึ่งสังเกตว่าสำหรับพุทธพจน์ในมหาปรินิพานสูตรว่าเมย่าธรรมโมจะวินโยจะ เทสิโตปัญยญตโตอัตตกถาทีคณิกายคือคำพีสุมังคลวิลาสีให้แปลว่าธรรมทั้งที่แสดงและบัญญัติวินัยก็ ท, ทั้งที่แสดงและบัญญัติในกรณีนี้พึงทราบว่าคำว่าแสดงและบัญญัติที่ใช้กับธรรมและวินัยมีความหมายต่างกันตามแนวที่อธิบายมาแล้ว